รายการนี้เป็นรายการกึ่งธรรมะท่านดูฟังคือการพูดธรรมะสมัยใหม่เนี่ยนะจะคุยกับคนสมัยใหม่นี้ต้องว่าให้จ่าแจ้งแดงขาวตั้งแต่ต้นตลอดปลายเลยคือสังเกตดูอาจารย์ยอดจะพูดอะไรง่ายๆฟังง่ายๆอนะเข้าใจง่ายจะพูดอะไรให้เกิดสงสัยอมอมค้างค้างคาคาไว้บางทีเขาฟังเขาก็นั่งอมยิ้มอ่านะ เคยมีคนถามอาจารย์ยอดเป็นคนสมัยใหม่บอกจะเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าเกิดปุ๊บออกมาเดินได้ทั้งเจ็ดเก้าเด็กที่ไหนมีในโลกนี้เขาหัวเราะชอบอกชอบใจเป็นเชิงกิริยาบอกว่าเออมัวม่วมัว่วเชื่อแต่ไอ้เรื่องเหลวไหลอ ย, อย่างนี้มันแสดงกิริยาให้ทราบว่าเขาไม่มีความเชื่อถืออย่างนั้นเขบอกว่าเนี่ยก็เป็นเหตุให้อ่าคนไม่เชื่อถือในเรื่องของศาสนาอย่างหนึง่ง เพราะฉะนั้นธรรมะที่จะพูดสําหรับคนสมัยใหม่นี้ต้องว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วให้ฟังง่ายๆด้วยอ่ะหรือไม่งั้นก็ให้บินสูงไปเลยให้ผู้ฟังตามไม่ทันอ่าพระบางองค์กลัวโยมจะตามทันบินซะสูงลิฟเลยบินซะสูงจนสุดลูกกระสุนยิงไม่ถูกกลัวโยมจะยิงท่านนั้นก็เลยบินสลิปจะสุดวิถีกระสุนไอ้ยางงี้ไม่ได้ผลหรอกนะมันทําให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย คนเราลองคิดตามไม่ทันแล้วก็อย่างว่าสนใจไปไอ้ก็แครนั้นนะสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังติดตามได้เนี่ยคือจะต้องฟังรู้เรื่องให้เกิดความเข้าใจพิจารณาเห็นชัดเจนในพระไตรปิฎกก็มีอยู่บ่อยเรื่องลึกซึ้งบางทีเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับอ่าบางทีเล่าเล่าไปแล้วประเภทฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะตัวคนเล่าเองก็รู้ ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยบอกเรื่องนี้ลึกซึ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับไม่ใช่ของคนหนาเป็นของคนมีปัญญาเท่านั้นบัณฑิตเท่านั้นจึงจะตามรู้ได้เ อ, เอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้เอาจะมาใช้กระสาธารณชนได้ยังไงอ่ะอ่าผู้ฟังเขก็คิดกันว่าเอ้นี่มันเรื่องของบัณฑิตจะเรื่องของผู้มีปัญญาเราไม่มีปัญญาจะไปฟังทําไมให้มันเสียเวลาไปทํามากินดีกว่าไปนั่งเกาหลังเล่นดีกว่าไปฟังทําไมอ่านี่มันเป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าจะคุยอะไรจะพูดอะไรใ ห, ให้อยู่ในวิสัยที่คนฟังเขาจะรู้ตามได้แล้วก็เกิดความสนใจขึ้นมาเองนี่หลักเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้นะมีพระนักเทศอยู่องค์หนึ่งท่านแก่วิชาการไปไหนมาไหนเขาก็บอกนี่พระสูตรเดินได้แก้ปัญหาชีวิตให้ญาติโยมด้วยหลักพระสูตรที่นี่ท่านก็เลี้ยงเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆอายุสี่ห้าขวบชื่อไอ้ก้อย เลี้ยงวว้ที่กุฏิเนี่ยก็อาศัยแขกไปใครมาก็ได้ไอ้ก้อยเนี่ยรินน้ําร้อนน้ําชาบริการแขกโดยเฉพาะถ้าแขกเป็นผู้หญิงก็จะได้นั่งเป็นเพื่อนพระอ่าเพราะว่าพระจะมานั่งคุยกับผู้หญิงตามลําพังไม่ได้ต้องมีคนที่สามมานั่งก็ได้ไอ้ก้อยเนี่ย่รคอยเป็นเพื่อนวันหนึ่งก็มีคุณนายคนหนึ่งก็มาคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องปัญหาความยากจนก็ถามพระนักเทศองค์นี้ว่าทําไมดิฉันถึงยากจนล่ะคะท่านอ๋อยม แสดงว่านี่ยโยมไม่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนเนี่ยในพระสูตรนะท่านกล่าวว่าคนเราโง่เข่าก็เพราะไม่ได้นั่งใกล้สมณะชีพรามบัณฑิต ท, ที่รูปไม่สวยก็เพราะขี้โกรธขี้โมโหไม่รักษาศีลสักต่ำก็เพราะริษยาอาฆาตคนอื่นยากจนก็เพราะไม่ทำบุญให้ทานอันนี้มันมีอยู่ในหลักธรรมวิพังคสูตรหรือวสุคสูตร มีนิทานเรื่องโคอ่าโตทริยพรามเนี่ยอาตมาใช้เทศเรื่องนี้ อ, อยู่เป็นประจำนะโยมเขาก็ถามว่าแล้วดิฉันจะทำยังไงแล้วจ้าค้าถึงจะหายากจนละ่ะอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำบุญสิคุณนายต้องทำบุญมากๆทำบุญนี่แหละบุญเนี่ยจะทำให้เราหายากจนได้แม้จะไปเกิดใหม่ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีไม่ครับไม่แค้นไม่เข็นใจว่าไปว่าไป อโยมก็นั่งฟังบังเอิญไอ้ก้อยเด็กเล็กเนี่ยมันเอาน้ําเย็นมาบริการคุณนายคนนี้เห็นไอ้ก้อยเด็กเล็กๆหน้าเห็นดูก็จับมือลูบหัวบอกเออหนูจําไว้นะเออเนี่ยพระท่านสอนเนี่ยอต้องการจะเป็นคนไม่ยากจนเหมือนนาะโตขึ้นไม่ยากจนก็ต้องจําคําอาจารย์ไว้ต้องมันทําบุญสุนทานนะไอ้ก้อยบอกไม่จริงอะครับคนเราไม่ได้จนเพราะไม่ได้ทําบุญหรอก อาจารย์อาจารย์หยุดเทศเลยฉุนหันมาตาวาดอ้าวงั้นงั้นมันจนเพราะอะไรเลยไอ้ก้อยไอ้ก้อยก็บอกก็จนเพราะกิเกียทํางานนะครับเท่านั้นน่ยอาจารย์นิ่งเลยไอ้ก้อยพูดจริงแม่อุตสาชักแม่น้ําทั้งห้าให้โยมฟังถ้ยาวยืดนะ่ะสู้คําตอบไอ้ก้อยเด็กสองสาขวบไม่ได้มันบอกจนเพราะกิเกียทํางานจะพูดจะจาอะไรก็ควรจะใช้ประโยคนน้อยๆสั้นๆแต่ก็ได้ผลดี ไม่มีใครค้านได้อ้าวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ยายกลางบ้านให้ฟังสักเรื่องอะเรื่องของการเข้าถึงธรรมดาเขากล่าวถึงว่ามีเศรษฐีอยู่คนนึงมีลูกสาวสวยอยู่สองคนก็ธรรมดาแล้วมีลูกสาวสวยไอ้นุ่มก็ต้องอาสาเข้ามาต้องการตําแหน่งลูกเขยเศรษฐีก็ปรากฏว่าในจํานวนผู้ชายเยอะแยะมีประสบความสําเร็จอยู่สองคนก็มาเป็นลูกเขยแกลูกเขยสองคนนี่มีลักษณะต่างกันไอ้เขยคนโตนี่เป็นพ่อค้า มีความเฉลียวฉลาดมีจิตวิทยาสูงสามารถจะพูดให้เกิดการประทับใจคนฟังได้โดยเฉพาะพ่อตาแต่เจ้าลูกเขยคนเล็กนี่มันคงจะบวชนานไปหน่อยแก่วัดเห็นอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมด่ะวันหนึ่งอยู่กันพร้อมหน้าพ่อตาลูกเขยสองคนอ่ะพ่อตาก็ต้องการจะสอบเช่าลูกเขยขึ้นมาก็ถามแม่เขยใหญ่วอยทิศเอ็งได้ลูกสาวข้าเป็นเมียนี่เอ็งรู้สึกยังไง ไอ้เคยใหญ่ก็บอกว่าด้วยอำนาจของบุพเพสนิวาสครับเราเคยสร้างสมอบรมกันมาในปุเรชาตบางก่อนเคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นเคยทำบุญร่วมวัดตักบาตรร่วมขันเราเคยสั่งสมกันมาเป็นเนื้อคู่กันก็ไม่แคล้วกันเลยล่ะครับหากไม่ใช่คนที่เคยก็ป่วยการฉะเง้ขอคอคอยอะไรทำนองเนี้ยครับ พ่อตาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วที่เอ็งได้ค่าเป็นพ่อตาในเอ็งรู้สึกยังไงโอ้ก็ดีมากครับเพราะว่าคุณพ่อน่ยเป็นคนดีมีอัตยาัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจเหมือนทะเลสาบปกติทะเลนี่น้ำมันเค็มครับแต่ใจคุณพ่อกว้างขวางเหมือนทะเลแต่น้ำจืดเป็นทะเลน้ำจืดเป็นที่พึ่งของคนยากพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันลิเกเก่าโดยมันพูดจนพ่อตาเคริมอ่าเสร็จแล้วพ่อตาก็หันมาถามเขยเล็กบ้าง เองได้ลูกสาวข้าเป็นเมียนะ่ะว่ายังไงโอ้ยของธรรมดาเรื่องธรรมดามพ่อธรรมดายังไงวะอ้าวเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์มันก็ต้องมีคู่แล้วหมามันก็มีคู่แมวมันก็มีคู่แล้วคนมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันของธรรมดาพ่อตาฟังแล้วจะไม่ชอบใจอ้าวแล้วที่เองได้ข่าเป็นพ่อตา เ, เองรู้สึกยังไงก็ธรรมดาธรรมดายังไงอ้าวก็ใครๆก็อยากจะได้เป็นลูกเขยเศรษฐีอ่ะ เป็นลูกเขยเสียถีก็เหมือนกับตกตุ่มเข้าสารมึงได้มั่งก็สบายใจของธรรมดาไอ้เขยเล็กมันตอบตรงความจริงแต่ไม่ค่อยจะถูกใจพ่อตาหวังจะพูดอะไรให้มันชื่นใจมัง่งมันก็พูดตรงเกินไปมาแต่ว่าไม่ตรงต่หัวใจที่ต้องการเสร็จแล้ววันหนึ่งพ่อตาลูกเขยออกไปทําธุระกันไปทางเรือพ่อตานั่งกลางเขยใหญ่พายหัวเขยเล็กภายท้ายพายไปในแม่น้าไปเจออะไรก็ถามเรื่อยไป ไปเจอกอไผ่มันมีหนอ่อมันแทงหน่อขึ้นมาพอตาก็ถามเขือใหญ่ไอ้เขือใหญ่ทําไมหน่อไม้มันถึงได้แทงดินโผล่ขึ้นมาได้วะไอ้เขือใหญ่ก็บอกอ้าวก็มันแหลมนี่พ่อแล้วมันก็แข็งด้วยยอดแหลมมากมันแข็งเออจริงเว้อเออมันแหลมมันแข็งแทงดินโผล่มาได้เอาไรเขือยเล็กอ่ะฮะธรรมดาพ่อธรรมดายัางไงโอ้ บทมันจะแทงดินน่ะไม่แข็งไม่แหลมมันก็โผล่ได้ดูเห็ดดิเห็ดอ่ะมันแข็งไม่ได้แหลมที่ไหนอ่ะทำไมมันแทงดินโผล่ขึ้มาได้ของธรรมดาไปเจอเป็ดอืมเป็ดมันกําลังลอยน้ําอยู่พ่อก็ถามไอ้ทิย์ใหญ่เป็ดทําไมมันลอยน้ําได้วะไอ้เขือใหญ่ไอ้เขือใหญ่ก็บอกก็มันมีขนนะครับคุณพ่อเออจริงใ ช, ใช่ใช่ใช่เป็ดมันลอยน้ําได้เพราะมันมีขนไอ้เขืเ่เรียกอ่ะโอ้ธรรมดามพ่อ ของมันจะลอยน้ําได้ไม่ต้องมีขนมันก็ลอยดูลูกมะพราะ้าวเลยมีขนที่ไหนอ่ะทําไมมันลอยน้ําได้อ่ะของธรรมดาพักเดียวไปเจอห่านห่านมันร้องเปิะปาปาเปริรปาปาอยู่ในคลองเออห่านทําไมมันร้องดังนักว่าไอ้เขื่ใหญ่ที่ห่านมันร้องดังนี้ก็เพราะคอมันยาวนะครับคุณพ่อเออจริงจริงจริงไอ้เขื่เล็กอออธรรมดาพ่อ ไม่จําเป็นนะมันจะเป็นจะต้องคอยาวคอสั้นไม่มีคอมก็ดังดูอึงอ่างเนี่ยปอบอ่ะมีคอที่ไหนมันร้องสลั่นทุ่งเนะ่ยดังกระหานอีกของธรรมดาพ่อเ <c oughs> <c oughs> สารจธุระก็พากันกลับจึงก็ต้องจอดเรือหน้าท่าเดินขึ้นบันไดทีนี้บ้านโบราณเนี่ยมันมีอ่างน้ําสําหรับล้างเท้าก่อนจะขึ้นบ้านก็ต้องล้างเท้าก่อนพ่อตาก็ถามไม่เขือยใหญ่ไอ้เขืยใหญ่ทําไมกระดานตรงนี้ที่มันลื่น มันแผลปเลยวันนี้ฮะเขยใหญ่ก็บอกว่าอ่าก็เราเอาตีนไปถูมันทุกวันทุกวันมันก็ลื่นอย่างงี้แ่ะพ่อไอ้เขยเล็กบอกไม่จริงอะ่ะไม่จริงอะ่ะหัวพ่อลื่นมันแผลแต่ไม่เห็นมีใครเอาตีนไปถูสักหน่อยมันก็มันแผลบเพราะมันยังของธรรมดาพ่อเดี๋ยวพักสักครู่ครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้เล่านิทานเก่าๆให้ฟังสักเรื่องเรื่องพราหมณ์กับคนชั่วครับมีพรามณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองบังกลาบังกลานี่คงจะเป็นบังคลาเทศอะนะในพราหมณ์คนเนี้ยแกเป็นคนดีมากอ้าวพราหมณ์ก็ดีสิส่วนใหญ่พรามณ์ต้องเป็นคนดีถ้าชั่วก็โจรสิจะเป็นพราหมณ์ได้ไงพราหมณ์คนนี้แกสวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดเวลา แล้วในเวลาเดียวกันเมียกับลูกของแกก็เป็นคนร้ายกาจจริงๆเมียของแกนี่จะขู่ตะค อ, อกแกอยู่เป็นประจำแกนี่ไม่เห็นจะวิเศษวิสโสอะไรเลยมีแต่ขี้เกียจฮะนั่งสวดภาวนาให้ตูดด้านอยู่ได้ทำไมแกไม่ออกไปหาเอาหงอาหารมาให้พวกเรากินกันมั่งฮะรู้จกักธรามาหากินมั้งไหมตาพรามพรามก็อ่อนระอาในความวุ่นวายของภรรยาเหลือเกิน วันหนึ่งตาแกก็ออกจากบ้านไปหาอาหารแกก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก็ยังสวดมนต์ภาวนาอยู่จนกระทั่งเดินเข้ามาในป่าโดยไม่รู้ตัวแกก็รู้สึกหิวมากแต่หิวน้ำมากกว่าที่จะหิวข้าวแกก็เลยมองหาบ่อน้ำลำธารในที่สุดแกก็ไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีพืชปกคลุมอยู่เต็มระยะรกๆถ้าใครไม่สังเกตแล้วไม่รู้อ า, อาจจะก้าวพลาดตกลงมาในนั้นก็ได้ พรามาก็แหวกพืชผักหญ้าที่ปกคลุมออกเพรแกรมองลงไปข้างล่างในบอ่อนะเห็นมีทั้งเสือทั้งลิงทั้งงูทั้งคนตกลงไปอยู่ก้นบอ่อนเต็ไมไปหมดเสือก็มองเห็นพรามเขาก่อนเสือมก็บอกว่าพรามพรามครับโปรดเอาผมขึ้นจากบอ่อนี้ทีเธอได้โปรดเอาออกจากบอ่อนี้ทีผมจะได้กลับไปหาลูกเมียผมป่านนี้เขาคงจะเป็นห่วงผมมากอ่ะเขารออยู่ที่บ้านนะครับ พรามก็บอกว่าช่วยยังไงกันล่ะเสือเอยโอ้เพียงแต่ได้ยินชื่อได้ฟังเสียงของแกก็ทําให้ฉันเสียวสะหลังไปแล้วฉันกลัวเสือไม่เอาอ่ะฉันไม่ช่วยฉันจะช่วยได้ยังไงกันโถได้โปรดเถอะพรามพ่อพรามรูปหลอ่อฉันขอสัญญาว่าจะไม่มีอะไรมาทําให้ท่านเดือดร้อนเปน็นอันขาดฉันจะไม่ทําให้ท่านยุ่งยากใจเลยฉันไม่ทําร้ายท่านจริงๆพรามก็ น, นึกว่าเออ ถ้าหากว่าเราจะเดือดร้อนตอนที่ช่วยชีวิตคนอื่นดีกว่าการได้รับทุกทรมานจากบาปกรรมเพราะว่าขาดความสงสารบรรดาสัตว์ที่ได้รับความทุกข์นะ่พรามเขาคิดอย่างนั้นนะคนเป็นพรามในส่วนมากใจบุญใจดีมจะคิดอย่างนี้อ่าพรามคิดอย่างนี้ก็ดึงเสือขึ้นมาจากบ่อเสือไหว้ประลกประลกเอ่อพอพรามพ่อพรามเห็นภูเขาน่นไหม ถ้ำเสือของผมอยู่ใกล้ๆกับยอดเขาที่สูงที่สุดนั่นแหละถ้าหากว่าพ่อพรามผ่านไปทางนั้นนะฉันอยากจะเชิญท่านแวะไปหาฉันบ้างบันทีฉันอาจจะตอบแทนบุญคุณในความการุณาของพ่อพรามได้บ้างนะเสือพูดแล้วก็หันกลับวิ่งตือตรงไปยังบุเขาเบื้องหน้านั่นกลับไปหาลูกหาเมียทีนี้ก็ช่วยลิงเพราะว่าลิงมันเห็นเสือพ้นจากบ่อได้มันก็พูดอ้อนวอนให้พรามช่วยพรามก็ดึงลิงขึ้นมาจากบ่อ ที่อยู่ของหนูออยู่ใกล้ๆน้ํำตกเนี่ยไม่ไกลาจากถ้ำเสือหรอกถ้าลิงอะนะถ้าหากว่าลุงพราหม์ผ่านไปทางนั้นแวะหน่อยนะฉันอาจจะตอบแทนบุญคุณลุงพราม์ได้มั่งลิงพูดแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนกิ่งไทรที่อยู่ใกล้ๆก็โหนตัวลับหายไปเสร็จแล้วพราหม์ก็ได้ยินเสียงงูอ้อนวอนได้โปรดเถ้าพราหม์โปรดดึงฉันขึ้นไปจากคุกมืดนี่ทีเถอะฉันขึ้นไม่ได้หิวจัง เออที่จริงฉันเห็นสีของเจ้ามันเป็นสีดํามาเห็นหัวแบนๆของเจ้าแล้วล่ะเออเขาว่ากันว่างูพิษเี่มันสามารถฆ่าคนได้เพียงแต่ไปถูกมันเข้าเท่านั้นะ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะดึงแกขึ้นมาจากบ่อได้ยังไงโดยที่ไม่ถูกตัวแกโอ้พราหม์คิดมากไปได้โตคนเกลียดงูมันก็พูดอย่างนั้นแหละ ได้โปรดช่วยฉันด้วยเถิฉันขอสัญญาและสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่มีอะไรหรอกจะไม่ทําอะไรหรอกนะพ่อพรามนะพรามได้รับคำมันสัญญาก็ดึงงูขึ้นมางูก็บอกว่าถ้าท่านมีความยุ่งยากอะไรนะขอให้ร้องเรียกฉันแล้วฉันจะมาช่วยเหลือท่านเลยฉันอยู่ทุกคนทุกแห่งล่ะนะส่วนผู้ชายคนที่อยู่ก้นบ่อเห็นเสือเห็นลิงเห็นงูออกมาจากบ่อหมดแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นมาพรามพรามนี่คนนะฉันน่ะ ท่านช่วยพวกสัตว์ขึ้นไปหมดแล้วแต่ฉันซึ่งเป็นคนแบบเดียวกับท่านยังอยู่ในบอ่อที่แสนจะโสกปลกนี่ทำไมไม่ดูจะมั่งล่ะพรามก็รู้สึกเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นแกก็กุลีกุจอดึงผู้ชายคนนั้นขึ้นจากบอ่อผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันชื่อสมมนาฏนะเป็นช่างทองแห่งเมืองบังกะลานี่ถ้าท่านมีทองจะทำหรือจะขายก็ขอให้นาไปให้ฉันนะอะฉันจะให้ราคาอย่างงามเลย อ่าฉันจะช่วยจัดการให้ท่านเพราะว่าท่านช่วยฉันในวันนี้พูดแล้วในสมนาฏก็าจากไปพราหมณ์ก็เดินต่อไปอีกแกเดินทางอยู่หลายวันก็ไม่ได้อะไรมีค่าพอจะถือกลับไปบ้านเลยอ่าก็คิดว่าเออกลับไปบ้านมือเปล่าก็เมียดา่าแกก็ยังไม่กลับอ่ะในที่สุดแกก็คิดว่าควรจะไปหาลิงตามที่ลิงเชื้อเชิญเอาไว้พราหมณ์ก็ปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาสักครู่นึ่งก็พบลิงที่ใกล้ๆน้าตกลิงก็ดีใจที่เห็นพราหมณ มันก็เอาผลไม้อร่อยอร่อยมาให้เยอะแยะเลยแล้วก็ให้พรามขนไปเท่าที่จะขนเอาไปได้พรามก็บอกว่าโอ้ลิงเอ้ยเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจ้านี่เป็นเพื่อนที่แท้จริงเลยเชียวเออฉันกําลังจะกลับบ้านมือเปล่าอยู่แล้วเชียวกลับไปก็ต้องโดนเมียด่าแน่นอนเลยแล้วนี่ก็อยู่ใกล้ถ้าเสือเออเดี๋ยวฉันอยากจะไปพบเสือเขาสักหน่อยว่าเขาจะจํายั้นได้หรือเปล่าพาฉันไปหน่อยได้ไหมล่ะลิงก็พาพรามไปที่ถ้าเสือ พอเสือเห็นเข้าก็เข้ามาหมอบไหว้ประหลกประหลกอยู่ตรงหน้าพรามแหมดีใจเหลือเกินได้พบพรามนะเออได้พบท่านฉันดีใจฉันมีของจะตอบแทนบุญคุณที่ท่านมีต่อฉันเสร็จแล้วเสือก็เอาทองที่เป็นเครื่องประดับมีเพชรพลอยของมีค่ามาให้พรามอุ้ยนี่ท่านได้ของเหล่านี้มายังไงอะฮะเสือพรามถามบอกเกรงไปว่าของเหล่านี้จะถูกขโมยมาแหมไม่ใช่หรอกไม่ได้ขโมย ได้มาอย่างมีเกียรติทีเดียวละคือมีเจ้าชายหนุ่มองคหนึ่งเข้ามาล่าเสือในป่านี้เขาเข้ามาล่าฉันนะ่ะเป็นการแลกชีวิตกันระหว่างชีวิตของฉันกับชีวิตเจ้าชายก็สู้กันแล้วฉันเป็นผู้ชนะธนูของเจ้าชายเนะี่ยเขายิงมาก็าไม่โดนฉันหรอกแล้วก่อนที่เจ้าชายจะชักลูกธนูยิงมาอีกฉันก็ตบเปลี่ยนระ้อยเนี่ยเครื่องเพชรเครื่องทองเหล่านี้ได้มาจากเจ้าชายองค์นี้แหละนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับฉันหรอกเอาไปเถอะ เพราะว่าฉันชนะเจ้าชายด้วยการต่อสู้ที่ยุติธรรมเพราทํางนั้นก่อนนะเอาไปเถอะพรามก็ขอบใจเสือที่ให้ของมีค่าทีนี้มีของมีค่าแล้วก็ทําไงละ่ะพรามก็ไปหานายช่างทองที่ชื่อสมมานาฏเน่ยเออท่านสมมานาฏฉันมานี่ก็ให้ท่านช่วยจัดการกับเครื่องเพชรเครื่องทองเหล่านี้นะฉันไม่อยากจะได้หรอกช่วยขายฉันทีเถอะฉันจะได้มีเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียฉันบ้าง นายสมมนาศก็รับเอาเครื่องประดับไปพิจารณาดูสักครู่หนึ่งเขาก็จําได้ทันทีว่าเป็นของเจ้าชายที่หายไปในระหว่างการล่าสัตว์เมื่อเร็วๆนี้อ่าสมมนาศก็พูดอย่างเป็นมิตรโอ้ได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะท่านพราหมคอยอยู่ที่นี่สักครู่นะเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้คนที่เขาต้องการเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาอยากจะซื้อนเนี่ยแบบนี้ล่ะอ่ากาอาจจะรับซื้อได้ราคา ง, งามๆ ในช่างทองก็วิ่งตรงไปที่พระราชวังเอาเครื่องประดับประสวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเห็นก็อ้าวเพชรเหล่านี้เป็นของลูกชายชั้นนี่ฮะจะเอามาจากไหนเนี่ยคือในบ้านของข้าพระพุทธเจ้าเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งแกล้งทําเป็นพราหมณ์ครับพยายามจะเอามาขายข้าพระพุทธเจ้าเขาต้องเป็นคนร้ายปลงพระชนโอรสของพระองค์ในป่าอย่างแน่นอนแล้วก็ขโมยเอาของเหล่านี้มา ในสมมานาทนี้ทูลโดยหวังว่าจะได้รับรางวัลเพระเจ้าแดินก็มีรับสั่งให้ตำรวจหลวงไปจับพรามได้รับสั่งให้ประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นขณะที่พรามนอนอยู่ในคุกแกถูกมัดมือมัดเท้าแกก็ระลึกถึงงูที่ได้ช่วยชีวิตไว้และสัญญา ว, ว่าจะช่วยถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือแกก็นึกว่าบางทีงูอาจจะช่วยแก้เครื่องพันธนาการในแกได้ความนึกคิดของแกได้ผลพ อ, อเรียกงูก็มาปรากฏตัว แต่ละงูก็บอกว่าโอ้มันจะได้ผลยังไงแกท่านพรามแล้วถ้าฉันแก้เชือกที่ผูกมัดออกพรามก็จะต้องถูกตามจับอีกอะคนของพระเจ้าแผ่นดินเยอะแยะเขาก็จะต้องจับท่านมาขังไว้อีกแล้วฉันจะทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวฉันมีอุบายฉันจะกัดพระมเหสีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอ่าจะมีใครพยายามช่วยรักษายัางไงก็ไม่ไม่หาย แต่ถ้าท่านเพียงแต่เอามือแตะเท่านั้นจะหายทันทีนะฉันจะจัดการเอาไว้ให้เมื่อท่านช่วยชีวิตพระม่เหสีได้แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็จะปล่อยท่านให้เป็นอิสระเองแหละวันรุ่งขึ้นพระเจ้าแผ่นดินตกใจอ่าม่เหสีโดนงูกัดพระองค์มีรับสั่งให้หาหมอทั้งหมดมารักษาปรากฏว่าไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ในท่ามกลางความวุ่นวายในพระราชวังก็มีผู้นําความเข้าไปกราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทราบว่า พรามที่ถูกจำมาขังคุกไว้นน่ะเขาประกาศว่าเขาสามารถรักษาพระมเหสีได้พระเจ้าแผ่นดินก็เลยมีรับสั่งให้ไปพาพรามเข้ามารักษาพอพราหมณ์มาถึงก็จับอ่าจับประกัของพระมเหสีขังีนถูกงูกัดพระมเหสีหายเจ็บปวดทันทีพระเจ้าแผ่นดินก็สงยกโทษให้พรามณก็มีรับสั่งให้ปล่อยออกจากที่คุมขัง แล้วก็โปรดให้เล่าเรื่องว่าได้เครื่องเพชรเครื่องทองเจ้าชายมาอย่างไงพราหมก็เล่าเรื่องตอนแต่ออกจากบ้านแล้วก็มาพบบรรดาสัตว์ต่างๆแล้วก็เจอนายสมมนาจจอมหักหลังเนี่ยให้ฟังโดยตลอดพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทราบเรื่องอย่างนี้ก็กลี้วโกร่ในช่างทองเปน็นนันมากก็มีรับตังให้จับนายสมมนาจมาลงโทษแล้วก็ปูนบำเหน็จรางวัลแก่พราม์โดยยกหมู่บ้านให้อ่าแล้วก็ให้อ่าบริวารหนึ่งพันสถาบันาเป็นอุปราชด้วยป พรามก็อพยพพาภรรยาและลูกตลอดจนญาติทั้งสองฝ่ายและเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่เข้าไปอยู่ในพระราชวังอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในจำนวนสัตว์ทั้งหลายที่มีในโลกนี้คนเนี่ยไว้ใจยากที่สุดเลยครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ